ใช้คำว่าสิ่งทั้งปวงนี่พวกเราคิดถึงที่ไหนส่วนใหญ่แล้วถ้าเราได้ยินว่าเออสิ่งทั้งปวงนี่เราคิดถึงอะไรก่อนอันนัก่อนที่เราจะพูดถึงธรรมะสักหมวดหนึ่งเราต้องชัดเจนว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยคืออะไรใช่ไหมที่ว่าเนี่ยคืออะไรสิ่งทั้งปวงเนี่ยคืออะไรสิ่งทั้งปวงในที่นี้ได้แก่ อุปาทานขันท่าอุปาทานขันท่านั่นแหละคือสิ่งทั้งปวงเรียกว่าส ก, กายะสัพพะสิ่งทั้งปวงคือขันท่าตัวนี้เนี่ยมีไหมอ่าคําว่ามีในที่นี้หมายความว่ามันเที่ยงไหมเที่ยงไหมลักษณะสัตตถิติถิถ้าบอกว่าหรือมันไม่มีไม่มีเป็นลักษณะของอุเฉททิติ ถ้ามีกับไม่มีอย่างนี้เป็นส่วนสุดมีก็สุดอย่างหนึ่งไม่มีก็สุดอีกอย่างหนึ่งคือตรงนี้นั้นพราหมณ์เขามีความเข้าใจว่าสกายะเหล่านี้เนี่ยเป็นอัตตาหรือเป็นทิฐินั่นเองเขามีทิฏฐิว่าสิ่งในที่นี้ได้แก่ทิฐิสำคัญเลยว่าคันห้านั้นเป็นอัตตานั่นแหละ เห็นรูปโดยความเป็นตนเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตนหรืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเห็นตนมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมีอยู่ในตนหรือว่าตนเนี่ยมีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเขามีทิฏฐิลักษณะนี้เขาก็เลยถามว่าถามบนพื้นฐานของสกายทิฏฐิ คำถามนี้คนมีสกายยะทิฐิถามว่ามีไหมถ้ามีก็คือแสดงถึงความเที่ยงของสิ่งนั้นๆก็คือความเที่ยงของขันธ์ห้าถ้าบอกว่าไม่มีก็คือแสดงว่าถึงที่สุดของสิ่งนั้นก็หมดเลยก็เป็นลักษณะของอุเฉททิฐิเพราะสกายยะทิฐิบางอย่างเป็นสัสตตตทิฐิสกายยะทิฐิบางอย่างเป็นอุเฉททิฐิ นั่นแหละถ้าหากว่าผู้ใดสำคัญว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยสำคัญโดยความเป็นตนอย่างนี้ประเภทคนที่มีทิฏฐิลักษณะนี้เรียกว่าคนนั้นหมกมุ่นอยู่ในสกายะทิฏฐิประเภทอุเฉททิฏฐิหรือว่าอุเฉททิฏฐิมีสกายะทิฏฐิเป็นวัตถุนั่นเอ ง, เอองดันั้นคำถามจึงอยู่บนพื้นฐานของความเห็นผิด ขันห้ามีไหมเอาใหม่นะขันห้ามีไหมมีแล้วใครมีขันห้ามีไหมไม่มีใคร น, นั่นแหละในขันห้าเนี่ยไม่มีใครแต่ขันห้าเนี่ยมีอยู่จริงจริงใช่ไหมขันห้าเพราะฉะนั้นพระองค์ก็บอกว่าถ้าหากว่ามีหรือไม่มีนั้นแต่ละอย่างก็เป็นส่วนสุดทั้งหมดแต่พระองค์กล่าวว่า ธรรมะที่ที่เป็นทางสายกลางก็คือเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีใช่ัหมถ้านามกับรูปมีอะไรเป็นปจัจจัยนามรูปมีอะไรเป็นปัจจัยนามรูปมีวิญญาณเป็นปจัจจัยวิญญาณมีอะไรเป็นปจัจจัยมีสังขารเป็นปจัจจัยสิ่งเหล่านี้มีอยู่แต่มีโดยความ เกี่ยวเนื่องกันหรือเรียกว่าปัจจ ah? ัยน yes, si ั่นเองอันรูปนามขันห้าเกิดด้วยปัจจัยถ้ามีปัจจัยรูปนามขันห้านั้นๆก็มีถ้าไม่มีปัจจัยรูปนามขันห้านั้นๆก็ไม่มีเพราะมีปัจจัยนั่นแหละจักขู่จึงจึงมีเพราะมีปัจจัยนั่นแหละจึงมีสีเพราะมีปัจจัยคือตากับสีนั่นแหละจิตเห็นจึงเกิดเพราะมีปัจจัยคือจิตเห็นนั่นแหละจึงเกิด เรียกว่าภาษาเพราะภาษาเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีตัญหาเพราะตัญหาเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีการยึดถือเรียกว่าอุปาทานในอุปาทานเหล่านั้นเจตนาบางอย่างเกิดร่วมกับอุปาทานเขาเรียกว่าพบเจตนาบางอย่างไม่เกิดร่วมกับอุปาทานแต่ก็มีอุปาทานเป็นปัจจัย ประเภทกุศลทั้งหลายเนี่ยมีส่วนใหญ่มีอุปาทานเป็นปัจจัยเจตนาเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นเจตนาที่มีอุปาทานเป็นปัจจัยที่กล่าวว่ามีอุปาทานเป็นปัจจัยเนี่ถามว่าเราพ้นการเกิดแล้วหรือยังผู้ที่ยังไม่พ้นจากการเกิดกล่าวไม่ได้ว่าไม่มีอุปาทานเป็นปัจจัยในกุศลแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ทีนี้ในเรื่องของปัจจัยเราต้องชัดเจนว่า บางอย่างเป็นกลุ่มสหชาติชาติบางอย่างเป็นกลุ่มอุปนิสยาชาตินั่นแหละอุปาทานนั้นจึงเป็นปัจจัยแก่เจตนาด้วยอํานาจอุปนิสัยนั่นแหะดังน้นบุญกุศลเหล่านี้ถ้าเราศึกษาให้ละเอียดเนี่ยแล้วเคยคิดไหมว่าเออพวกเราทําบุญกันอยู่อย่างนี้บุญเหล่านี้จะทําให้เกิดบุญเนี่ยเกิดเล็กๆน้อยๆ น, นะแล้วพบที่เกิดเนี่ยมันจะใหญ่หรือเปล่านะ คิดว่าจะเกิดไปอยู่พพนั้นนั้นา น, นไหมนั่นแหละโอ้บุญที่ทำก็เป็นบุญประเภทบุญเล็กๆน้อยๆเนาะสมมติว่าเออฟังธรรมอันนฟังธรรมชั่วโมงกุศลเกิดทั้งชั่วโมงไหมไม่ตลอดนะนั่นแหละไม่ตลอดนะเราจะเห็นความที่กุศลนั้นแนะยังมีอุทธจาคมาแทรกตั้งตั้งมากมายแต่ถ้าเป็นพระราชาสมัยก่อนพระองค์หนึ่งนะ ยืนฟังธทำทั้งคืนโดยที่จิตเนี่ยคิดเรื่องนั้นตามโดยที่ไม่มีเรื่องอื่นแทรกเลยฟังได้ทั้งคืน น, นั่นแหละนั้นคนสมัยก่อนนั้นเขามีบุญมากจิตสมาธิจิตมั่นคงจริงๆนั่นแหละแต่ของในยุคหลังๆมาถ้าอย่างอดามาเองเนี่ยบางทีมีอกุศลอย่างอื่นมาแทรกหรือว่าเช่นอกุศลเช่นวิตกกังวลเข้ามาแทรกในในความคิดนั้นๆด้วยนั่นแหละ อันในเรื่องสิ่งทั้งปวงนั้นถ้าหาว่าเราเข้าใจขันห้าอยู่แล้วนะเข้าใจอุปาทานขันห้าชัดเจนอยู่แล้วจะทําให้เราเห็นข้อปฏิบัติชัดเจนมากขึ้นว่าอย่างไรเป็นมิจฉาทิฐิอย่างไรเป็นสุดต่งอย่างไรเป็นสัมมาทิฐิทั้นคนที่เป็นสัมมาทิฐินั้นก็คือเห็นอุปาทานขันห้าว่าเป็นอุปาทานขันห้าใช่ไหมอุปาทานอาขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและ วิญญาณอุปาทานอาคารเนี่ยอ๋อนะจับดินสอนี่มีอุปาทานอาคารไหมนั่นแหละอุปาทานกับอุปาทานอันารเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะอุปาทานได้แก่โลภะกับทิฏฐิส่วนอุปาทานอาคารได้แก่นะโลกิยธรรมทั้งหมดเป็นอุปาทานอาคารนะ โลปิยรทมทั้งหมดเป็นอุปาทานขันเพราะฉะนั้นอุปาทานจะเกิดขึ้นก็อาศัยอุปาทานขันนั่นแหละนั่นแหละเพราะอุปาทานก็นับเนื่องในขันอุปาทานเป็นสังขารขันก็เป็นขันด้วยอุปาทานก็ยึดถือในสังขารขันด้วยแสดงว่าตัวเองก็ยึดตัวเองได้นั่นแหละผู้ที่เห็นความเป็นไปของขันห้าอย่างตลอดสาย ตลอด้ายเลยเอ่านะสายของขันห้าเป็นยังไงสายของรูปประคันในรูปประคันนั้นรูปมีกี่สมุธฐานมีสี่สมุธฐานนะรู้เรื่องรูปตลอดสายก็คือรู้เรื่องสมุธฐานของรูปนั้ น, น, นตลอดสายรู้เรื่องเวทนาเวทนานี้มันเป็นผลซึ่งเกิดจากการประชุมพร้อมของธรรมะภาษานี้เป็นการประชุมพร้อมเรียกภาษะ ขั้นการประชุมพร้อมของวัตถุวิญญาณอารมณ์สามอย่างประชุมเรียผัสสะขั้นเวทนาจะเกิดต่อเมื่อมีผัสสะแล้วนั่นแหละเวทนาจะเกิดเมื่อมีผัสสะแล้วขั้นและเวทนาเหล่านี้เนี่ยเวทนาบางแห่งบอกเวทนาหกใช่ไหมจกขู่สัมผัสชาเวทนาอย่างหนึ่งก็คือเวทนาที่มาจากการกระทบทางตาเวทนาที่มาจากการกระทบทางหูก็อย่างหนึ่ง เวทนาที่มาจากการกระทบทางลิน้นเวทนาที่เกิดจากการกระทบทางกายและทางใจหนะในหนี้ในเวทนาทางตามีกี่อย่างคะเวทนาทางตามีสาอย่างอ่ะนะการแสดงแบบนี้แสดงโดยทั้งวิถีไม่ใช่เฉพาะจิตดวงเดียวอ่านะเรียกว่าทั้งวิถีจิตที่เกิดขึ้นทางตา อาศัยจากสุกับรูปเกิดจากสุวิญญาณความประชุมของธรรมะทั้งสเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาถ้าผัสสะกับอิทธารมณ์เป็นปัจจัยให้เกิดสุขเวทนาอิทธาอิทธาแปลว่าหน้าปรารถนานั่นแหละเกิดสุขเวทนาถ้าผัสสะกับอนิฐารมณ์เป็นปัจจัยให้เกิดทุกขเวทนา ถ้าภาษะที่ทำให้เกิดเป็นอุเบคานะเป็นมัชตารมเป็นอารมณ์ธรรมดาอันนี้เรียกว่าเป็นปัจจัยให้เกิดอุเบคาเวทนาและใ น, นชีวิตวันๆหนึ่งนะถ้าเราจะศึกษาเรื่องเวทนาเนี่ยเรามองเห็นเห็นก้อนอิฐเนี่ยเห็นหินปั๊บเนี่ยรู้เลยว่าเวทนานั้นเป็นส่วนใหญ่นะถ้าเราไม่ใช่เจ้าของโรงหินถ้าเราไม่คิดจะซื้อหิน ถ้าเราไม่มีความประสงค์ต้องการเห็นเห็นแล้วพวกนี้เป็นมัชชะต์เป็นอุเบขานั่นแหละหรือเห็นเห็นต้นไม้เหล่านี้นะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมัชชะต์เป็นอารมณ์ที่ที่ธรรมดาดังั้นเวทนาในความคิดจึงเป็นอุเบขาซะส่วนใหญ่ดงนั้นผู้ที่จะรู้เวทนาขันเหล่านี้ก็ต้องรู้เรื่องของอารมณ์ถ้ารู้เรื่องอารมณ์จะรู้เรื่องของภาษา ถ้ารู้ภาษาจะต้องรู้ของเวทนาเพราะฉะนั้นนามธรรมา ท, ที่ชัดที่พระองค์ยกมาแสดงบ่อยๆมากก็คือหนึ่งภาษะสองเวทนาสามจิตนะแต่ก็มีอีกสองตัวที่ชัดอีกสองตัวก็คือสัญญากับเจตนาธรรมะห้าอย่างนี้เรียกว่าภาษะปัญจกภาษะปัญจกประกอบไปด้วยหนึ่งภาษะสองเวทนา สามสัญญาสี่เจตนาห้าจิตนี่คือนามธรรมนามธรรมที่เรียกว่าผัสสะปัญจกะเกิดร่วมกับจิตทุกดวงแต่จะเข้าใจในเรื่องผัสสะปัญจกะดีต้องเข้าใจวัตถุ ก, กับอารมณ์เป็นอย่างดีใช่ไหมบางคนผัสสะเกิดที่เท้าเลยผัสสะปัญจกะเกิดที่เท้าอ่ะนะตรงนั้นมีผัสสะ มีเวทนามีสัญญามีเจตนาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นในขณะนั้นจึงมีอุปาทานขันทั้งห้าเกิดอย่างสมบูรณ์ะตัวเขาเองเป็นอุปาทานขันหแต่บุคคลนั้นมีอุปาทานด้วยไหมก็อยู่ที่ว่าถ้าไม่รอบรู้ในสิ่งนั้นเป็นอุปาทานนั่นแหละส่วนใหญ่จะเป็นอุปาทานถ้ายินดีในอารมณ์เหล่านั้นก็เป็น กามุปาทานนั่นแหละถ้าเข้าไปยินดีในอารมณ์นั้นเป็นกามุปาทานถ้าหากว่าไปมีทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งตรงนั้นก็เป็นทิฏฐุปาทานถ้าหากว่าเออนะถ้าเรานั่งกระดิกเท้าอย่างนี้สมมติอาคาที่เท้าใช่กนั่งกระดิกเท้าเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งเั้ือนกันอันนี้เป็นศีลพระตุปาทานนั่นละ ตรงภาษาเวทนาตรงนั้นนะถ้าเรานั่งกะดิกอยู่อย่างนี้สัก3ามชั่วโมงเนี่ยโอ้โหเราก็ปฏิบัติธรรมสามชั่วโมงอันนี้เป็นศีลพตัตโตปาทานถ้าหากว่าสำคัญว่าไอตรงนั้นเนี่ยอุปาทานขันเมื่อกี้เนี่ยเป็นอัตตาเป็นต้นก็เป็นอั ต, ตาวาทุปาทานเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นทรงสอนให้รอบรู้ในอุปาทานขันเหล่านี้เองรอบรู้ในอุปาทานขันว่า รูปขันเขาก็เกิดด้วยปัจจัดด ย, จจ ย, ดดยจจของเขาอ่ะเวทนาขันก็เกิดด้วยปัจจัยของเวทนาสัญญาขันก็เกิดด้วยปัจจัยของสัญญาสังขารก็เกิดด้วยปัจจัยของสังขารวิญญาณก็เกิดด้วยปัจจัยของวิญญาณเพราะฉะนั้นลักษณะพระธรร ม, มเทศนาของพระผู้มีพระภาม Libya คมีอยู่ห้าคำด้วยกัน 1. หนึ่งนะต้องรู้จักความเกิดอันดับแรกนะรู้จักความเกิดของขันห้ารู้จักความ ความดับไปของขันห้าหรู้จักอสสาทฆของขันห้าและก็รู้จักอาทีนวะคือโทษของขันห้าสุดท้ายนิสรณะของขันห้าถ้าหากว่าไม่มีความรู้เหล่านี้เกิดขึ้นเลยแสดงว่าเรานี้ห่างจากพระธรรมมากชีวิตในขณะนั้นแสดงว่าเป็นชีวิตของผู้ไม่ได้สดงเห็นไหม สมมติในขณะที่เราลบมือฮะลบมือธรรมดาเนี่ยในขณะที่รูปมือหรือจับเนี่ยมีอุบมีขันห้าเลยตัวเขาเองทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นอุปาทานขันห้าเพราะเป็นโลภียธรรมเมื่อเป็นโลกียธรรมนั้นกล่าวได้เลยว่านี่คืออุปาทานขันห้าเพราะสิ่งเหล่านี้สามารถเป็นอารมมณปัจจัยให้เกิดอุปาทานได้นั่นแหละแล้วก็เป็นปัจจัยอื่นๆให้เกิดอุปาทานได้ด้วย ทีนี้ถ้าหากว่าผู้ที่รอบรู้เรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้จะรู้จักความจริงของสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่รอบรู้ในเรื่องนี้โดยปริญญาสามเขาเรียกว่าผู้ไม่ได้สดับอ่นนะขยับมือขึ้นถ้าไม่รอบรู้โดยปริญญาสามจะเรียกว่าผู้ไม่ได้สดับเราได้สดับมาหรือยังกูวันชูได้สดับมาหรือยังว่าขณะที่เนี่ยขยับมือเนี่ยมันเป็นยังไง ถ้าเป็นผู้ได้สดับย อ, อริยะสาวกในธรรมวินัยนี้นะย่อมไม่พิจารณาเห็นรูปเลยว่านั่นเป็นของเรานั่นเป็นเร า, น, น, เ น, เรานั่นเป็นอัตตาของเราแต่ในขณะที่ขยับมืออะถามว่ามีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นคืออุปาทานขันห้าดังั้นอุปาทานขันห้าเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะ เป็นอพยกตธรรมถ้าบุคคลไม่รอบรู้ในสิ่งเหล่านี้เป็นอวิชชาถ้ารอบรู้ในสิ่งเหล่านี้เป็นปัญญาแต่ถ้าจะรอบรู้ในรอบนี้รอบรู้สิ่งเหล่านี้ก็ด้วยปริญญาสามนะต้องไม่ลืมปริญญา3ามปริญญาสามเบื้องต้นที่สุดเลยก็คือพิจารณาสิ่งเหล่านี้จนรู้จักว่าสิ่งนี้ก็คือขันธ์ห้าหรือ อายตนะก็ได้โดยขันท่าโดยอายตนะโดยธาตุโดยสัจจะโดยอินทรีย์โดยปฏิจจสมุปบาทผู้ที่เห็นลักษณะตามนี้แหละคนนั้นเรียกว่าคนมีปริญญาปริญญาของพระนะไม่เอาท้งอื่นนะทงอื่นไม่เอาบอกว่านี้ล็อกว่าเรากำลังสนธนาวิชาพระพุทธศาสนาอยู่หรือว่าเป็นผู้ได้สดับ ผู้ได้สดับเนี่ยในขณะที่มีขยับแขนเป็นต้นนั้นนี่คือขันห้าขันห้าที่มันขยับได้เพราะอะไรเป็นปัจจัยจิตเป็นปัจจัยนะจิตชาวายโยธาเป็นปัจจัยนี <c oughs> ถ้าเป็นยาตะปริญญานะจะแยกเริ่มแยกความจริงของสิ่งเหล่านี้รูปประคันที่มีจิตเป็นปัจจัยเนี่ยนี่หนึ่งสมุทฐานใช่ไหมในรูปประคันที่มี อาหารเป็นปัจจัยเป็นยังไงใช่ไหมแรงดีหรือแรงไม่ดีส่วนหนึ่งนะสมมุติถ้าขาดสารอาหารบางอย่างมือจะชาใช่ไหมถ้าอาหารมันอย่างดีมือไม่ชาอันนี้มีอาหารเป็นปัจจัยถ้ามีอุตุเป็นปจัจจัยอ่ะใช่ไหมบางคนเนี่ยจับไม่งเหงื่อแตกเลยนะร้อนใช่ไหมอย่างละมาเนี่ถ้าจับตะ ก, กาจับอะไรพักเหนียวเหงื่อออก ันก็เป็นอุตุนั้นอุตุบางอย่างมีกรรมเป็นก ร, รมมะปัจจะยอุตุเคยได้ยินนะนะอุตุบางอย่างเป็นจิตตะปัจจะยะอุตุอุตุบางอย่างเป็นอาหาระปัจจยะอุตุบางอย่างเป็นอุตุปัจจะยะอุตุนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็คือรูปขันธ์ผันผู้ได้สดับนะ พระอริยาสาวกผู้ได้สดับท่านรอบรู้ในอุปาทานขันคือรูปอันนี้แหละทีนี้ท่านรู้รูปโดยปัจจัยโดยสมุทฐานอย่างดีแล้วท่านรู้ถึงรู้ถึงอะไรรู้ถึงความไม่จีรังยั่งยืนของสิ่งเหล่านี้ด้วยเขาเรียกว่ามีตีรณะปริญญานะมีตีรณะปริญญาที่พิจารณาในในในแขนตรงนั้นะ่ะคือในในรูปประขันนั่นเอง ว่าสิ่งเหล่านี้จากไม่มีแล้วมีขึ้นเมื่อมีขึ้นเนี่ยตั้งขึ้นด้วยปัจจัยประชุมพร้อมจึงมีขึ้นปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งหมดไปสิ่งเหล่านี้ก็หมดไปใช่ไหมอยู่สภาพเดิมอย่างนี้ก็ไม่ได้ทนอยู่อย่างนี้ต่อไปก็ไม่ได้เขาเขามาด้วยปัจจัยของเขาแท น, นตัวปัจจัยนี้ก็ยังมีปัจจัยอีกครั้งหนึ่งเห็นไห กรรมนี่เป็นปัจจัยให้กรรมชรูปเกิดกรรมก็ยังมีปัจจัยจิตเป็นปัจจัยให้ให้รูปเหล่านี้เกิดจิตตัวนั้นก็ยังมีปัจจัยนะอุตุเป็นปัจจัยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นให้ขันนี้เกิดขึ้นอุตุก็ยังมีปัจจัยขันรูปขันอันนี้เกิดด้วยอาหารเป็นปัจจัยอาหารตัวนั้นก็เกิดด้วยปัจจัยขันสิ่งใดที่มีปัจจัยประชุมพร้อม สิ่งนั้นไม่เที่ยงเพราะปัจจัยเองก็ไม่เที่ยงเขาจึงเล่าว่าปู่ของปูขงป่ของปู่ของปู่ก็ตายมาหมดยาของยาของยาของยาก็ตายมาหมดพ่อก็จากไปแล้วโอ้แล้วลูกจะอยู่ได้เลย <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาจึงบางสูตรท่านจึงบอกว่ามีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งใช่ไหมมีรากก็ไม่เที่ยงลําต้นก็ไม่เที่ยงกิ่งใบก็ไม่เที่ยงถามว่าเงาของต้นไม้นั้นเที่ยงไหมไม่เที่ยง สิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันจากปัจจัยแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งไม่เที่ยงสักอย่างหนึ่งตัวของเขาเองเขาจะอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ผู้ที่มีการเพ่งอย่างนี้มากๆเป็นผู้ที่ทำปริญญาข้อตีระปริญญานะนะปริญญาตัวนี้สักออกยากน่อย น, นะเพรา ะ, ะนั้นจะเห็นว่าผู้ที่เจริญตามนั้นแหละเป็นผู้ที่เป็น ลักษณะของอริยาสาวกท่านปฏิบัติตามนี้นะท่านจึงได้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเพราะท่านรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้จริงๆรอบรู้ว่ารูปังอั น, นิจังรูปไม่เที่ยงมีแล้วก็ไม่มีมีแล้วก็หมดไปรูปรูปกับรูปรูปคือกายรูปคือโพธิภะกระทบการเกิดกายกายวิญญาณใช่ไหมวิญญาณก็กายก็ไม่เที่ยงใช่ไหมรูปเมื่อกี้ก็ไม่เที่ยง แล้วทําให้เกิดวิญญาณแล้ววิญญาณตัวนั้นเที่ยงไหมไ ม, ไม่เที่ยงนั่นแหละวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นขันข้อไหนเป็นสังขารขันนะนั่นแหละผัสสะกับเจตน า, าที่เกิดขึ้นเป็นสังขารขันซึ่งวิญญาณก็ไม่เที่ยงผัสสะเวทนาก็อาศัยวิญญาณเกิดขึ้น่ะแล้วผัสสะเวทนาจะเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงนั่นแหละเพราะในนั้นมีเจตนาด้วยเวทนาก็เกิดด้วยสิ่งเหล่านี้ก็คือขันห้า ผู้ที่ปฏิบัติพิจารณาเพ่งอย่างนี้เนี่ยเมื่อรู้เห็นอย่างนี้ก็ย่อมเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในเวทนาเบื่อหน่ายในสัญญาเบื่อหน่ายในสังขารเบื่อหน่ายในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนักก็ก็หลุดพ้นมีญาณอย่างรู้ว่าชาติสิ้นแล้วพงมาจันอยู่จบแล้วทั้นผู้ที่รอบรู้ในลักษณะนี้เป็นประเภทปัญญาวิมุตต์นั่นแหละ เป็นพระอารหันต์ประเภทปัญญาวิมุตต์ในสุสิมะสูตรที่ผู้การเอามาให้ดูเมื่อเช้าก็เป็นสูตรที่กล่าวถึงลักษณะแบบนี้นั่นแหละเพราะนั้นในการเพ่งลักษณะนี้โดยที่ไม่ไม่ไปศึกษาสมถะควบคู่ไปเลยหรือไม่ได้ชาญเลยก็เรียกว่าประเภทปัญญาวิมุตต์อย่างเดียวนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าศึกษาสิ่งเหล่านี้ด้วยควบคู่กับการเจริญสมถะกรรมฐาน ที่พระองค์ทรงแสดงหรือทรงอนุญาตเอาไว้ให้เจริญนั่นน่ะควบคู่กันไปกับ ก, บการพิจนารณาอย่างนี้ท่านพวกนั้นก็เป็นผู้ปฏิบัติทั้งสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปบางคนมีสมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลังบางคนมีสมถะนำหน้าวิปัสสนาตามบางคนมีวิปัสสนานำหน้าสมถะตามอย่างเงี้ยบางคนก็ควบคู่กันไปนั่นน่ะท่านของเราก็ให้ศึกษาให้เข้าใจท่านให้เป็นอริยสาวกผู้ได้สดับ รอบรู้ด้วยปริญญาในเรื่องของชีวิตของเราเราไม่รู้อย่างอื่นมากก็ช่างเธอขอให้รู้เรื่องเดียวพอบอกไม่ฉลาดในอะไรก็ช่างมันเถอะขอให้ฉลาดในจิตของเราเองพอแล้วถ้าคนรู้เรื่องจิตจะไม่รู้เจรษฐกิจได้ไห ม, ไ, มไ ด, ได้มันก็เกิดร่วมกันนะั่นแหละเนาะนั่นหละอะไรเห็นจิตเห็นนะ แต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยมันอืนมันมีความหมายหมดอะที่แรกที่แรก<อ>นะถ้าเราไม่ไม่พิจารณานะบอกเอ๊ะทาไมพูดซ้ำซากมากเลยคือค้ายๆกับเป็นของเก่ามากคือสมัยที่เรียนธรรมะใหม่ๆนะ เ, เรานี่มันจะอยากเรียนเรื่องอื่นอื่นอือ่นให้มันเยอะเยอะอะมันเยอะเยอะอะทีนี้มันอ่านไปเยอะเยอะเข้ามันก็พูดแต่เรื่องเก่าอ่ะก็เลยเอ๊ะชักไม่ค่อยเยอะ ทนี้ไอ้ที่เยอะนี่ถามว่าเรารู้เรื่องอะไรจริงบ้างเรื่องหนึง่งลองมาปากระถาให้ตัวเองฟังดูทีแล้วก็ถ้าเรารู้เรื่องอะไรนะเราต้องคิดตลอดเรื่องได้สมมุติถ้าหากว่าเราไปเยี่ยมที่ไหนไปสักแห่งหนึ่งนะเรากลับมาเราลองเล่าให้ตัวเองฟังดูคือที่ผ่านมาเนี่ยไปทําอะไรมาบ้างลําดับเหตุการณ์ให้มันตลอดดูทีนี้เ อ, อธรรมะที่เราเรียนมาเนี่ยนะเราลองมาใช้ดูว่ามันลําดับได้ไหม เราสามารถลำดับเรื่องมีขั้นตอนเล่าได้ไหมบอกมันขึ้นมาคําเดียวมันก็จอดหมดแล้วบางทีเออสติมาสติมาเราก็ได้บาลีนะอาตาปีสัมปชานโนสติมาสติมันเป็นยังไงว่าสติมาก็ติดอยู่แค่นั้นแหละบางทีส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ตอนฟังตอนอ่านนี่โอ้โหดูเหมือนเข้าใจเป็นตัวเป็นต่อพอไปเข้าเอาเรื่องเอาจริงเอาจังตัวเอาไปนั่งตรึกดูจริงๆไม่ได้เลยกคลียวทิศทั้งหลายไม่ปรากฏเลยนั่นแหละ